แต่พ่ออเพิ่นเป็นมหาได้พ่อเพิ่นเจ้าพ่อพ อ, พ อ, อจุจิจังบอกเก่งมเป็นลูกมหาพ น, นาไปแม่ของเพิ่นกับมวชายย่อยให้กันนอนไปแม่คุณนายมหาพ น, นาไปเพราะนั้นพ อ, อจุจิตจยังพูดน้ำไหลไฟดับพ น, นไปพุทาอายุเท่าไหร่นะแตสิีปีฮาเดียนครับอ๋อ แปดสิบี่ปีห้าเดือนโอ้ยเอาละพอละขนาดนั้นแต่ใครก็จะได้มื่นปีประวัติศาสตร์ไปแล้วไปมันจะหอดไายจังเลยแต่รถของเรามีแต่เหล็กมีแต่ของแข็งแข็งทั้งหมดนถ้าถึงสิบปีไปก็หมดสภาพแล้วขนาดรถนะอันนี้ร่างกายของเราเนี่ยมีแต่เนื้อมีแต่หนังมีแต่เอ็ดมีแต่กระดูก ให้อยู่ยืนนาน น, านไปอยู่ได้ยังไงได้แปดสิบกว่าปีขนาดนี้ก็โอ้โหทนทายาิแล้วหลวงพ่อว่านะ <c oughs> แต่ใครๆก็อยากจะอายุยืนนั่นแะ <c oughs> นู่นขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ซะก่อนไปเกิดบนสวรรค์แล้วภะษีอานภาษีอริยะเมตไตรจะลงมาตรัสนะ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 สองอปีมารอบสองปีสามปีสี่ปีจนอายุคนถึงอสงไข่คำว่าอสงไข่คำนี้นับไม่ถ้วนคำว่าธรรม้าเป็นเครื่องคิดเลขก็จะนับหนึ่ง 6, 7, สามี่ห้าเจ็ดร้อยพันหมื่นแสนล้านล้านล้านล้านไม่รู้จะนับไปทางไหนอีกกนอนูไปแปลว่าจบสุดเครื่องคิดเลขเหมือนกัน อันนี้ก็เรียกว่าอาสงไข่พอถึงอสงไข่ประเดี๋ยทำไมมันตายยากนักเบื่อในชีวิตของตัวเองบัานีมันอายุยืนเกินไป อ, อยู่มันก็ไม่มีแต่ว่าคนสมัยนั้นไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะมีแต่โรคอะไรมีอยู่สองอย่างหรือสามอย่างเนะี่ยตรงพ อ, นะอมีแต่ความสุขกว่างั้นแต่ว่า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 ไปเจอไปพบกับบัณฑิตนักปราดไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่ถูกทางไปในทางสวรรค์ถ้าไปเจอเขาแนะนำไปทางนรกนะ่ก็จมดิง่งลงอีกลึกไปอีกถ้าหากว่าเขาแนะนำไปในสู่ทางสวรรค์ก น, นะมีเมตตามีสัมมาคารวะมีคุณธรรมศีลธรรมจ ร, ริยธรรมที่ดีพวกฤาษีสีไพรเขาสอนสอนสมาธิ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 ถ้าคนขี้ต่นียทีเนี้ยวไปเห็นพระปจิจกบินประหวัดว่ามีไม้มีมือมีแข้งมีขามีเออครบหมดทุกอย่างมาหาขออย่างนี้มันทำได้อย่างไรเออสัมมณะขี้เกียจเนี่ยไม่ทำบุญแอแปลว่าเกิดพบนั้นชาตินั้นกับเปล่าประโยชน์ไปแลวท่านนี่ถึงท่านจะไม่ได้ทำไรทำไรทนานาทำรัว้วทำสวนมีอวัยวะครบเหมือนกับเรา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 พระพุทธเจ้าในระหว่างพระพุทธเจ้าในช่วงกลางอย่างพระโคตมะกับพระศีอริยเมตไตรในระหว่างกลางนั่นน่ะนันคือท่านพูดไว้ในพระไตรปิฎกท่านพูด อ, าอานาคตนอนาคตังสยานลักษณะอย่างนั้นแต่พวกเราก็ฟังเอาไวอาจจะมีอัรธกถาจารย์ต่อเติมส่งเสริม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 อยู่กับหมูกับเพื่อนแล้วทำไมขี้เกียจขี้ค้านมาช่วยเหลือหมูพวกเพื่อนแล้วก็ยังมาให้หมูพวกเพื่อนแบกอีกต่างหากแล้วมาอยู่กับเขาอีกต่างหากเนี่ยแหละอันนี้ก็คือถ้าใครทำตัวอย่างนั้นกรรมที่ทากรรมที่ไม่ดีอย่างนั้นต้องเป็นที่ตำหนิของหมูพกเพื่อนถ้าเราเป็นคราวาสญาติโยมก็เหมือนกันอยู่ในชุมชนสังคม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 กับหมู่กับคู่กับคนเดี๋ยวเป็นอันตรายเอาไปขังไปซะอันนี้เป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาของสังคมสิ่งเหล่านีค้คือการกระทําของตนเองเหมือนกันที่เขาไปอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่ากรรมคือการกระทําเมื่อเราทําดีคิดดีทดําดีพูดดีกรรมดีจะต้องตามสนองไปอยู่นัดสถานที่ใดร่มเย็นเป็นถูกใครๆก็ปราถนาอยากให้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 แต่ลุงพ่อจนลุงพ่อต้องให้เป็นจังหวะถ้าใครขอมาได้ในขณะที่สิ่งของเหมือนกับลิงได้กล้วยอย่างนั้นนะถ้าได้เขาเอาเอา ก, กล้วยมาให้ลุงพ่อได้กล้วยมาลุงพ่อเออน่าจะพอแบ่งได้ลุงพ่อก็จะแบ่งให้นั้นลักษณะอย่างนั้นล่ะถ้าลงพ่อแบ่งไม่ได้ก็จะทำยังไงตัวเองก็กินจะไม่อิ่มอยู่แล้วนะ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 เมื่อเราทำดี อ, อ, อยู่นักสถานที่ใดถึงจะอยู่ห่างไกลขนาดไหน เ, เขาก็อยากจะให้ไปเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นภาคเป็นพวกเพราะเหตุไรเพราะว่ามีน้ําใจมีน้ําใจต่อกันอันนี้ยกตัวอย่างนะจะเป็นใครก็ตามไม่ใช่ตลวงพ่ออินะใครก็ตามยางลงสมัยลงตา ย, ยังมีชีวิตอยู่นะเ อ, อจากเหนือจดใต้่ะมา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 ได้ตัดสู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณคือบอลมครูของพวกเราพวกเราก็เช่นเดียวกันนะั่นเกิดมาพบนิชาตินี้เลยพบพระพุทธศาสนาได้พบคุณงามความดีเอาสังสมต่อเติมบุญไปเรื่อยแต่ร่างกายนะี่ยก็ยางว่านะแต่จิตใจนะั่นอยู่ในจิตใจของเรานามธรรมตัวนี้แหละต่อเติม บุญกุศลเข้าสู่จุดนีนะ้แต่เติมบุญเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนั่นนะเพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจนี่ที่นามธรรมนี่มากกว่าเรื่องของกายกายนี่ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงไปเถอะเลี้ยงกายผนละที่สุ่ก็ตายอย่างที่ลุงพ่อได้พูดจะสร้างบ้านให้หรูหราโออาขนาดทหาร่างร่างกายอยู่นะอยู่ไปอยู่ไปก็เห็นผมงอกผมขาวนะ